ทุติยะปะมาธาธิวัะหมวดว่าด้วยความประมาทเป็นต้นหมวดที่สอ ง, งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเพราะพูดถึงองค์ประกอบภายในเราไม่เห็นองค์ประกอบอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์มากเหมือนความประมาทนี้ความประมาทย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์มาก 2. เพราะพูดถึงองค์ประกอบภายในเราไม่เห็นองค์ประกอบอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นไปเพื่อประโยชน์มากเหมือนความไม่ประมาทนี้ความไม่ประมาทย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มาก 3. เพราะพูดถึงองค์ประกอบภายในเราไม่เห็นองค์ประกอบอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์มากเหมือนความเกียดคร้านนี้ความเกียดคร้านย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์มาก สเพราะพูดถึงองค์ประกอบภายในเราไม่เห็นองค์ประกอบอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นไปเพื่อประโยชน์มากเหมือนการปรารบความเพียรนี้การปรารบความเพียรย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มาก 5. เพราะพูดถึงองค์ประกอบภายในเราไม่เห็นองค์ประกอบอื่นแม้อย่างหนึ่งละถึงความมากๆย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์มาก 6. เพราะพูดถึงองค์ประกอบภายในเราไม่เห็นองค์ประกอบอื่นแม้อย่างหนึ่งละถึงความมักน้อยย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มากเจ็เพราะพูดถึงองค์ประกอบภายในเราไม่เห็นองค์ประกอบอื่นแม้อย่างหนึ่งละถึงความไม่สันโดย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์มาก 8. เพราะพูดถึงองค์ประกอบภายในเราไม่เห็นองค์ประกอบอื่นแม้อย่างหนึ่ง และถึงความสันโดษย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มาก 9. เพราะพูดถึงองค์ประกอบภายในเราไม่เห็ ok э เนองค์ประกอบอื่นแม้อย่างหนึ่งและถึงอโยนิโสมนัสการย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์มาก 10. เพราะพูดถึงองค์ประกอบภายในเราไม่เห็นองค์ประกอบอื่นแม้อย่างหนึ่งและถึงโยนิโสมนัสการย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มาก 11. เพราะพูดถึงองค์ประกอบภายในเราไม่เห็นองค์ประกอบอื่นแม้อย่างหนึง่งและถึงความไม่มีสัมปชัญญะย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์มาก 12. เพราะพูดถึงองค์ประกอบภายในเราไม่เห็นองค์ประกอบอื่นแม้อย่างหนึง่งและถึงความมีสัมปชัญญะย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มาก 13. เพราะพูดถึงองค์ประกอบภายนอก เราไม่เห็นองค์ประกอบอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์มากเหมือนความมีปาปมิตรนี้ความมีปาปมิตรย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์มาก1 4เพราะพูดถึงองค์ประกอบภายนอกเราไม่เห็นองค์ประกอบอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นไปเพื่อประโยชน์มากเหมือนความมีกาลยานมิตรนี้ความมีกาลยานมิตรย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มาก 15. เพราะพูดถึงองค์ประกอบภายในเราไม่เห็นองค์ประกอบอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์มากเหมือนการประกอบอากุศลธรรมเนื่งเนืองและการไม่ประกอบกุศลธรรมเนื่งเนืองนี้การประกอบอากุศลธรรมหนึ่งเนืองและการไม่ประกอบกุศลธรรมหนึ่งเนืองย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์มาก 16. เพราะพูดถึงองค์ประกอบภายใน เราไม่เห็นองค์ประกอบอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นไปเพื่อประโยชน์มากเหมือนการประกอบกุศลธรรมหนึ่งเนืองและการไม่ประกอบอกุศลธรรมหนึ่งเนืองนี้การประกอบกุศลธรรมหนึ่งเนืองและการไม่ประกอบอกุศลธรรมหนึ่งเนืองย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มาก 17. เราไม่เห็นทมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นไปเพื่อความเสื่อมสูญหายไปแห่งสัตธรรม เหมือนความประมาทานี้ความประมาทย่อมเป็นไปเพื่อความเสือ่อมสูญหายไปแห่งสัตยธรรม18เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นไปเพื่อความดํารงมั่นไม่เสือ่อมสูญไม่หายไปแห่งสัตยธรรมเหมือนความไม่ประมาทานี้ความไม่ประมาทย่อมเป็นไปเพื่อความดํารงมั่นไม่เสือ่อมสูญไม่หายไปแห่งสัตยธรรม19 เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นไปเพื่อความเสื่อมสูญหายไปแห่งสัตยธรรมเหมือนความเกียดคร้านนี้ความเกียดคร้านย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมสูญหายไปแห่งสัตยธรรมยี่สิบเราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นไปเพื่อความดํารงมั่นไม่เสื่อมสูญไม่หายไปแห่งสัตยธรรมเหมือนการปรารบความเพียร น, นี้ การปรารพความเพียรย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงมั่นไม่เสื่อมสูญไม่หายไปแห่งสัตยธรรม 21. เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งละถึงความมากักมากย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมสูญหายไปแห่งสัตวธรรม 22. เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งและถึงความมักน้อยย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงมั่น ไม่เสื่อมสูญไม่หายไปแห่งสัตยธรรม23เราไม่เห็นธรรมอื่แน before, แม <sold> ้อย่างหนึ่งและถึงความไม่สันโดษย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมสูญหายไปแห่งสัตยธรรม24เราไม่เห <Sm EO> <บ state> forward, ็นธรรมอื <Century> ่นแม้อย่างหนึ่งและถึงความสันโดษย่อมเป็นไปเพื่อความดํารงมั่นไม่เสื่อมสูญไม่หายไปแห่งสัตยธรรมยีห้า เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งละถึงอโยนิโสมานสการย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมสูญหายไปแห่งสัตยธรรมยี่สิบหกเราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งและถึงโยนิโสมานสการย่อมเป็นไปเพื่อความดํารงมั่นไม่เสื่อมสูญไม่หายไปแห่งสัตยธรรมยี like ่สิบเจ็ดเราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งละถึง ความไม่มีสัมปชัญญะย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมสูญหายไปแห่งสัตยธรรม28เราไม่เห็นธรรมอื่ น, นแม้อย่างหนึง่งละถึงความมีสัมปชัญญะย่อมเป็นไปเพื่อความดํารงมั่นไม่เสื่อมสูญไม่หายไปแห่งสัตยธรรม29เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งละถึงความมีปาปมิตร ย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมสู์หายไปแห่งสัต์ธรรม 30. เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งและถึงความมีกัลยาณมิตรย่อมเป็นไปเพื่อความดารงมั่นไม่เสื่อมสูญไม่หายไปแห่งสัตยธรรม31เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งและถึงการประกอบกอุศลธรรมหนึง่งเหนืองและการไม่ประกอบกุศลธรรมหนึง่งเนือง ย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมสูญหายไปแห่งสัตวธรรม 32. เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นไปเพื่อความดำรงมั่นไม่เสื่อมสูญไม่หายไปแห่งสัตวธรรมเหมือนการประกอบกุศลธรรมหนึ่งเนืองและการไม่ประกอบอกุศลธรรมหนึ่งเนืองนี้การประกอบกุศลธรรมหนึ่งเนืองและการไม่ประกอบอกุศลธรรมหนึ่งเนือง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 ภิกษุเหล่านั้นย่อมประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากและทำให้สัต ร, รมนี้สูญหายไป 42. ภิกษุพวกที่แสดงธรรมว่าเป็นอธรรมละถึงแสดงสิ่งที่ไม่ใช่วินัยว่าเป็นวินยัยแสดงวินัยว่ามิใช่วินยัยแสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้พาสิทธไว้ไม่ได้กล่าวไว้ว่าตถาคตได้พาสิทธไว้ได้กล่าวไว้ แสดงส ji, degree, achi, i I ิ่งที่ตถาคตพาสิทธไว้กล่าวไว้ว่าตถาคตไม่ได้พาสิทธไว้ไม่ได้กล่าวไว้แสดงกรรมที่ตถาคตไม่ได้ประพฤติปฏิบัติมาว่าตถาคตได้ประพฤติปฏิบัติมาแสดงกรรมที่ตถาคตได้ประพฤติปฏิบัติมาว่าตถาคตไม่ได้ประพฤติปฏิบัติมาแสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ว่าตถาคตได้บัญญัติไว้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 ทุติยะปะมาทาธิวัคที่สิบจบสิบเอ็ดอธรรมวัคหมวดว่าด้วยธรรมและอธรรมพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุ พวกที่แสดงอาธรรมว่าเป็นอาธรรมชื่อว่าปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่อประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นย่อมประสบบุญเป็นอันมากและดำรงสัตว์ธรรมนี้ไว้ได้ภิกษุพวกที่แสดงธรรมว่าเป็นธรรมละถึง แสดงสิ่งที่มิใช่วิไนว่ามิใช่วิันแสดงวิไนว่าเป็นวิันแสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้พาสิทธไว้ไม่ได้กล่าวไว้ว่าตถาคตไม่ได้พาสิทธไว้ไม่ได้กล่าวไว้แสดงสิ่งที่ตถาคตได้พาสิทธไว้ได้กล่าวไว้ว่าตถาคตได้พาสิทธไว้ได้กล่าวไว้แสดงกรรมที่ตถาคตไม่ได้ประพฤติปฏิบัติมาว่าตถาคตไม่ได้ประพฤติปฏิบัติมา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 ภิกษุเหล่านั้นย่อมประสบบุญเป็นอันมากและดำรงศีลธรรมนี้ไว้ได้อาธรรมวักที่11จบ 12. อานาปฏิวักหมวดว่าด้วยอาบัตและอานาบัต พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุพวกที่แสดงสิ่งที่ไม่เป็นอาบัติว่าเป็นอาบัติและถึงแสดงอาบัติว่าไม่เป็นอาบัติแสดงอาบัติเบาว่าเป็นอาบัติหนักแสดงอาบัติหนักว่าเป็นอาบัติเบาแสดงอาบัติชั่วยาบว่าเป็นอาบัติไม่ชั่วยาบแสดงอาบัติไม่ชั่วยาบว่าเป็นอาบัติชั่วยบ แสดงอาบัตที่มีส่วนเหลือว่าเป็นอาบัตไม่มีส่วนเหลือแสดงอาบัตที่ไม่มีส่วนเหลือว่าเป็นอาบัตมีส่วนเหลือแสดงอาบั ต, ท, บต ท, ที่ทำคืนได้ว่าเป็นอาบัตที่ทำคืนไม่ได้แสดงอาบัตที่ทำคืนไม่ได้ว่าเป็นอาบัตที่ทำคืนได้ชื่อว่าปฏิบัตเพื่อไม่เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่สุขแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่ประโยชน์แก่คนหมู่มาก เพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกแกเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นย่อมประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากและทําให้สัจธรรมนี้สูญหายไปภิกษุพวกที่แสดงสิ่งที่ไม่เป็นอาบัติว่าไม่เป็นอาบัติชื่อว่าปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่อประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย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 ภิกษพวกที่แสดงอาบัตเบาว่าเป็นอาบัตเบาละถึงแสดงอาบัตหนักว่าเป็นอาบัตหนักแสดงอาบัตชั่วยาบว่าเป็นอาบัตชั่วยาบแสดงอาบัตไม่ชั่วหยาบว่าเป็นอาบัตไม่ชั่วยาบแสดงอาบัตที่มีส่วนเหลือว่าเป็นอาบัตที่มีส่วนเหลือแสดงอาบัตที่ไม่มีส่วนเหลือว่าเป็นอาบัตไม่มีส่วนเหลือแสดงอาบัตที่ทําคืนได้ว่า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 อ น, นาปฏิวัค์ที่สิบสองจบสิบสามเอกะบุคลวัคหมวดว่าด้วยบุคคลผู้เป็นเอกพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้เป็นเอกเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่ อ, ค, อคือกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเคือกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบุคคลผู้เป็นเอกคือใครคือพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบุคคลผู้เป็นเอกนี้แลมเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อเคือกูลแก่คนหมู่มาก เพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุกแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายความปรากฏแห่งบุคคลผู้เป็นเอกหาได้ยากในโลกบุคคลผู้เป็นเอกคือใครคือพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าความปรากฏแห่งบุคคลผู้เป็นเอกนี้แลหาได้ยากในโลกบุคคลผู้เป็นเอกเมื่อเกิดขึ้นในโลก ย่อมเกิดข <ety> ึ <goodness> น้นเป <uteur> ็นอาชิร <maps catch ourselves> ิยะมนุษย์บุคคลผู้เป็นเอกคือใครคือพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบุคคลผู้เป็นเอกนี้แลเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเป็นอาชิริยะมนุษย์การตายของบุคคลผู้เป็นเอกเป็นเหตุให้คนจำนวนมากพลอยเดือดร้อนไปด้วยบุคคลผู้เป็นเอกคือใครคือพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า การตายของบุคคลผู้เป็นเอกนี้แลเป็นเหตุให้คนจำนวนมากพลอยเดือดร้อนไปด้วยบุคคลผู้เป็นเอกเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นไม่เป็นที่สองไม่มีสหายไม่มีอัตภาพใดเหมือนไม่มีใครเปรียบเทียบไม่มีผู้ทากิจเปรียบเทียบหาบุคคลเปรียบเทียมิได้หาผู้เสมอมิได้เสมอกับบุคคลผู้หาผู้เสมอมิได้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 เสมอกับบุคคลผู้หาผู้เสมอมิได้เป็นผู้เลิศกว่าสัตว์สองเทา้าความปรากฏแห่งบุคคลผู้เป็นเอกเป็นความปรากฏแห่งจักรสุอันยิ่งใหญ่เป็นความปรากฏแห่งแสงสว่างอันยิ่งใหญ่เป็นความปรากฏแห่งโอภาษ์อันยิ่งใหญ่เป็นความปรากฏแห่งอนุตริยะหกเป็นการทําให้แจ้งปฏิสัมพิทาสีเป็นการรู้แจ้งชัดาธาตุหลายชนิด เป็นการรู้แจ้งชัดธาตุที่แตกต่างกันเป็นการทำให้แจ้งผลคือวิชาความรู้แจ้งและวิมุตติความหลุดพ้นเป็นการทำให้แจ้งโสดาปติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลและอรหัตผลบุคคลผู้เป็นเอกคือใครคือพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะความปรากฏแห่งบุคคลผู้เป็นเอกนี้แล จึงมีความปรากฏแห่งจักสูอันยิ่งใหญ่มีความปรากฏแห่งแสงสว่างอันยิ่งใหญ่มีความปรากฏแห่งโอภาสอันยิ่งใหญ่มีความปรากฏแห่งอนุตริยหกมีการทำให้แจ้งปฏิสัมพิทาสี่มีการรู้แจ้งชัดธาตุหลายชนิดมีการรู้แจ้งชัดธาตุที่แตกต่างกันมีการทำให้แจ้งผลคือวิชาและวิมุตติมีการทำให้แจ้งโซดาปฏิผล สกะทาคามิผลอนาคามิผลและอรหัตพน์เราไม่เห็นบุคคลอื่นแม้คนเดียวที่เผยแผ่โดยชอบซึ่งธรรมาจากอันยอดเยี่ยมที่ตถาคตประกาศไว้แล้วเหมือนสารีบุตรนี้สารีบุตรย่อมเผยแผ่โดยชอบซึ่งธรรมาจากอันยอดเยี่ยมที่ตถาคตประกาศไว้แล้วเอกะปุคลวัคที่สิบสามจบ ส, สิเอตทัทคคะวัคมวดว่าด้วยเอตทัทคคะ 1. ปฐมมวัคมวดที่หนึ่งหงพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอัญญาโกณทัญญะเลิศกว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้เป็นรัตน์อยู่สสารีบุตรเลิศกว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้มีปัญญามาก 3. มหาโมคลานะเลืก่กว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้มีฤทธิ์มาก 4. มหากัสปะเลืก่กว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้ทรงทุดงและสรรเสริญคุณแห่งทุดง 5. อนุรุทธะเลืก่กว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้มีตาทิพสิบพัฏติยกาลิโคทายบุตรเลืก่กว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเรา ผู้เกิดในตระกูลสูง 7. และกุลตะกะพัติยะเลิศ ก, กว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้มีเสียงไพเราะ 8. ปินโทละพาระทวาชเลิศ ก, กว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้บรนเลยสีหนาฏ 9. ปุณณมันตานีบุตรเลิศ ก, กว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้เป็นธรรมกระเถิบสิ 10. มหากัจานะ เลิศกว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้อธิบายความหมายแห่งธรรมที่กล่าวไว้โดยย่อได้พิสดารก็ทมวักจบ 14. บเอตัทธกวักสอทุติยวัก หมวดที่2 1. จุลปันทกเลิศ ก, กว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้สามารถเนรมิตกายามโนใหม่ 2. จุลปันทกเลิศ ก, กว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้ฉลาดในเจโตวิวัต 3. มหาปันทกเลิศกว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้ฉลาดในสัญญาวิวัต 4. สสุภูติ เลิศ ก, กว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้มีปกติอยู่ด้วยความไม่มีกิเลสหาสุภูติเลิศ ก, กว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้เป็นทักขินัยบุคคลหเรวัตคธทิรวนิยะเลิศ ก, กว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้อยู่ป่าเป็นวัดเจ็ดกางขาเรวตต เลิกกว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้ยินดีในฌาน 8. โโซนโกลิวิสะเลิกกว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้ปรารบความเพียร 9. โสซนกุติกันนะเลิกกว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้กล่าวถ้อยคำไพเราะ 10. บสีวลีเลิกกว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้มีลาภ11 วัคคลิเลิกกว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้หลุดพ้นด้วยศรัทธาทุติยวัคจบสิบสี่เอตทัคขวักสามตติยวัคหมวดที่สาม หพระผู้มีพระภาคตรัสว่าราหุลเลิศกว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้ใคร่ต่อการศึกษา 2. รัฐบาลเลิศกว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้บวชด้วยศรัทธา 3. ากุณฑทานะเลิศกว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้จับสลากได้ก่อน 4. วงังคีสะเลิศกว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเรา ผู้มีปฏิพาน 5. อุปเสนาวังคันตบุตรเลิศ ก, กว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้เป็นที่เลื่อมใสของคนโดยรอบ 6. ทัพพระมันรบุตรเลิศ ก, กว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้จัดแจงเสนาสนะเปิลินทวัชชะเลิศ ก, กว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้เป็นที่รักที่ชอบใจของเหล่าเทวดา แปพาหิยทารุจิริยะเลิศกว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้รู้แจ้งได้เร็ว 9. กุมารกัสปะเลิศกว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้แสดงธรรมได้วิจิตสิบมหากดทิตะเลิศกว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้บรรลุปฏิสัมพิธาตติยวักจบ สบสเอตทัทควัค 4. จะตุทวัคหมวดที่4 1. อานอนท์เลิกกว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้เป็นพระหูสูตรส อ, อานอนท์เลิกกว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้มีสติ 3. อานนท์เลิกกว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้มีคติ 4. อาโนนเลิศ ก, กว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้มีทิฏฐิ 5. อานน์เลิศ ก, กว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้เป็นอุปถาก 6. อุรุเวละกัสปะเลิศ ก, กว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้มีบริวารมาก 7. กาลุทายีเลิศ ก, กว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้ยังสกุลให้เลื่อมใส 8. พกุละเลิศกว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้มีอาพาธน้อย 9. โสพิตะเลิศกว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้ระลึกชาติได้ 10. อุบาลีเลิศกว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้ทรงวินัย 11. นันทกะเลิศกว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้กล่าวสอนนางภิกษุณี 12. นันทะเล society, kingdom, kingdom, ิศกว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้คุ้มครองทวารในอินทรีทั้งหลายได้ 13. มหากัปปินะเลิศกว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้กล่าวสอนภิกษุ 14. สากตะเลิศกว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้ฉลาดในเตโชธาตสิบราทะเลิศกว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเรา ผู้มีปฏิพานแจ่มแจ้ ง, จง 16. กโมฆราชเลิศกว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้ทรงจีวรเศร้าหมองจตุทะวักจบ14บเอตทัทคัคกัต 5. ปัญจมะวัคหมวดที่5 1. มหาปชาบดีโคตมีพิสุนีเลิศ ก, กว่าพิสุนีสาวิคาทั้งหลายของเราผู้เป็นรัตตัญยู 2. เขมาเลิศ ก, กว่าพิสุนีสาวิคาทั้งหลายของเราผู้มีปัญญามาก 3. อุบลวันนาเลิศ ก, กว่าพิสุนีสาวิคาทั้งหลายของเราผู้มีฤทธิ์มาก 4. ปตาจาราเลิกกว่าภิกษุณีสาวิกาทั้งหลายของเราผู้ทรงวินัยห้าธรรมทินนาเลิกกว่าภิกษุณีสาวิกาทั้งหลายของเราผู้เป็นธรรมกะึกหกนันทาเลิกกว่าภิกษุณีสาวิกาทั้งหลายของเราผู้ยินดีในฌานเจ็โซนาเลิกกว่าภิกษุณีสาวิกาทั้งหลายของเราผู้ปราบรบความเพียร 8. สกุณนาเลิกกว่าภิกษุณีสาวิกาทั้งหลายของเราผู้มีตาทิพย์ 9. พัฒากุทลทนเกษาเลิกกว่าภิกษุณีสาวิกาทั้งหลายของเราผู้รู้แจ้งได้เร็ว 10. พัฒากาปิลานีเลิกกว่าภิกษุณีสาวิกาทั้งหลายของเราผู้ระลึกชาติได้ 11. พัฒากัจจานา เลิกกว่าภิกษุณีสาวิกาทั้งหลายของเราผู้บรรลุอภิญญาใหญ่ 12. อกิสาโคตมีเลิกกว่าภิกษุณีสาวิกาทั้งหลายของเราผู้ทรงจีวรเศร้าหมอง 13. สิสาิงคาลมาตาเลิกกว่าภิกษุณีสาวิกาทั้งหลายของเราผู้หลุดพ้นด้วยศรัทธาปัญจมวักจบ 14. เอตทัทควัก 6. ชัตถวักมวที่6 1. ่พ่อค้าชื่อตปุษะและพันลิกะเลิกกว่าอุบาสกสาวกทั้งหลายของเราผู้ถึงสารณะอ่อนสอสุทัตตะอนาถะบินิกะขาปดีเลิกกว่าอุบาสกสาวกทั้งหลายของเราผู้ยินดียิ่งในการถวายทาน 3. จิตตคหาบดีชาวเมืองมัจจิกาสัน์เลิกกว่าอุบาสกสาวกทั้งหลายของเราผู้เป็นธรรมกถึก 4. หัตถกะอุบาสกชาวกรุงอาลาวีเลิกกว่าอุบาสกสาวกทั้งหลายของเราผู้สงเคราะห์บริษัทด้วยสังคหวัตถุส 5. เจ้าสกยะพระนามว่ามหานามะเลิกกว่าอุบาสกสาวกทั้งหลายของเรา ผู้ถวายรถอันประณีต 6. อุคคะคหบดีชาวกรุงเวสาลีเลิศ ก, กว่าอุบาสกสาวกทั้งหลายของเราผู้ถวายโภชนะเป็นที่น่าชอบใจ 7. อุคตะาคหบดีชาวหัตถีคามเลิศ ก, กว่าอุบาสกสาวกทั้งหลายของเราผู้อุปถากพระสม 8. สุระอัมพัทะเลิศ ก, กว่าอุบาสกสาวกทั้งหลายของเรา ผู้เลื่อมใสอย่างแน่นแฟน้น 9. ชีวกโกมารพัฒเลิกกว่าอุบาสกสาวกทั้งหลายของเราผู้เลื่อมใสเฉพาะบุคคล 10. บนกุลปิตาข้าดีเลิกกว่าอุบาสกสาวกทั้งหลายของเราผู้กล่าวถ้อยคําที่ทําให้เกิดความคุ้นเคยชาตวักจบ 14. เอตัทขวัก 7. จสัตตมวักหมวดที่7 1. สุชาดาทิดาของเสนานีกุดุมพีเลิศกว่าอุบาสิกาสาวิกาทั้งหลายของเราผู้ถึงสาระก่อน 2. วิสาขามิคารมาตาเลิศกว่าอุบาสิกาสาวิกาทั้งหลายของเราผู้ยินดียิ่งในการถวายทาน 3. คูชุตราเลิกกว่าอุบาสิกาสาวิกาทั้งหลายของเราผู้เป็นพหูสูตรสสามาวดีเลิกกว่าอุบาสิกาสาวิกาทั้งหลายของเราผู้มีปกติอยู่ด้วยเมตตา 5. ้กุตรานันธมาตาเลิกกว่าอุบาสิกาสาวิกาทั้งหลายของเราผู้ยินดีในฌาน 6. สุปวาสาโกริยทิดา เลิกกว่าอุบาสิกาสาวิกาทั้งหลายของเราผู้ถวายรถอันประณีตเจสุปิยาอุบาสิกาเลิกกว่าอุบาสิกาสาวิกาทั้งหลายของเราผู้บำรุงภิกษุอาพาธ 8. กาติยานีเลิกกว่าอุบาสิกาสาวิกาทั้งหลายของเราผู้เลื่อมใสอย่างแน่นแฟ้น 9. กนักุลมาตาขะหะปานี เลิกกว่าอุบาสิกาสาวิกาทั้งหลายของเราผู้กล่าวถ้อยคำที่ทำให้เกิดความคุ้นเคย10กาลีอุบาสิกาชาวเมืองกุรคระเลิกกว่าอุบาสิกาสาวิกาทั้งหลายของเราผู้เลื่อมใสเพราะได้ยินได้ฟังตามๆกันมาสัตตมวักจบเอตัทะขวรกที่14จบ สิบห้าอัธนะบาลีบาลีว่าด้วยความเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ 1. ปฐมมวรคหมวดที่หนึ่งหง่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพึงยึดถือสังขารไร่ไรโดยความเป็นสภาวะเที่ยงแต่เป็นไปได้ที่ปุถุชนพึงยึดถือสังขารไร่ไร้ โดยความเป็นสภาวะเที่ยง 2. เป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพึงยึดถือสังขารไรายๆโดยความเป็นสุขแต่เป็นไปได้ที่ปุตุชนพึงยึดถือสังขารไรายๆโดยความเป็นสุข 3. เป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพึงยึดถือธรรมไร่โดยความเป็นอัตตา แต่เป็นไปได้ที่ปุถุชนพึงยึดถือทำไรๆไร้โดยความเป็นอัตตา 4. เป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพึงฆ่ามารดาแต่เป็นไปได้ที่ปุถุชนพ ok ึงฆ่ามารดา 5. เป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพึงฆ่าบิดาแต่เป็นไปได้ที่ปุถุชนพึงฆ่าบิดา 6. เป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพึงฆ่าพระอรหันต์แต่เป็นไปได้ที่ปุถุชนพึงฆ่าพระอรหันต์เเป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพึงมีจิตประทุษร้ายทำร้ายตถาคตให้ห่อเลือดแต่เป็นไปได้ที่ปุถุชนพึงมีจิตประทุษร้ายทำร้ายตถาคตให้ห่อเลือด 8. เป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพึงทำลายสงฆ์แต่เป็นไปได้ที่ปุตุชนพึงทำลายสงฆ์ 9. เป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพึงนับถือศาสดาอื่นแต่เป็นไปได้ที่ปุตุชนพึงนับถือศาสดาอื่น 10. เป็นไปไม่ได้เลยที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสองพระองค์ พึงเสด็จอุบัติพร้อมกันในโล ก, กาธาตุเดียวกันแต่เป็นไปได้ที่พระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวพึงเสด็จอุบัติในโล ก, กาธาตุเดียวปฐมวัจ์จกสิบห้า อาถานบาลี 2. ทุติยวัคหมวดที่สองหงเป็นไปไม่ได้เลยที่พระเจ้าจักรพรรดสองพระองค์พึงเสด็จอุบัติพร้อมกันในโลกธาตุเดียวกันแต่เป็นไปได้ที่พระเจ้าจักรพรรดพระองค์เดียวพึงเสด็จอุบัติในโลกธาตุเดียว 2. เป็นไปไม่ได้เลยที่สตรีพึงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่เป็นไปได้ที่บุรุษพึงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 3. เป็นไปไม่ได้เลยที่สตรีพึงเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแต่เป็นไปได้ที่บุรุษพึงเป็นพระเจ้าจักรพรรดิถึง6เป็นไปไม่ได้เลยที่สตรีพึงครองความเป็นเท้าสักกะและถึงเป็นมารเป็นพรหมแต่เป็นไปได้ที่บุรุษพึงครองความเป็นเท้าสักกะ เป็นมารเป็นพรมเจ็ดเป็นไปไม่ได้เลยที่กายทุจริตจะพึงเกิดผลที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจแต่เป็นไปได้ที่กายทุจริตจะพึงเกิดผลที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจแปดถึงเก้าเป็นไปไม่ได้เลยที่วจีทุจริตละถึงเป็นไปไม่ได้เลยที่โมโนทุจริต จะพึงเกิดผลที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจแต่เป็นไปได้ที่มโนทุจริตจะพึงเกิดผลที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจทุติยวัคจบสิบห้า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 เป็นไปไม่ได้เลยที่มนุสุจริตจะพึงเกิดผลที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจแต่เป็นไปได้ที่มนสุจริตจะพึงเกิดผลที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจ 4. เป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลผู้ประกอบกายทุจริตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เพราะความประกอบกายธุจริตเป็นเหตุเป็นปัจจัย แต่เป็นไปได้ที่บุคคลผู้ประกอบกายทุจริตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตเนรกเพราะความประกอบกายทุจริตเป็นเหตุเป็นปัจจัย5ถึงเป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลผู้ประกอบวัจจทุจริตละถึงเป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลผู้ประกอบมโนทุจริตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์ เพราะความประกอบมโนทุจริตเป็นเหตุเป็นปัจจัยแต่เป็นไปได้ที่บุคคลผู้ประกอบมโนทุจริตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกเพราะประกอบมโนทุจริตเป็นเหตุเป็นปัจจัยเเป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลผู้ประกอบกายสุจริตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตเนรกเพราะความประกอบกายสุจริต เป็นเหตุเป็นปัจจัยแต่เป็นไปได้ที่บุคคลผู้ประกอบกายสุจริตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เพราะประกอบกายสุจริตเป็นเหตุเป็นปัจจัย8ดถึงเเป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลผู้ประกอบวจีสุจริตละถึงเป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลผู้ประกอบมโนสุจรติตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบ า, ายทุคติวิญญนิบาตนรก เพราะประกอบมโนสุจริตเป็นเหตุเป็นปัจจัยแต่เป็นไปได้ที่บุคคลผู้ประกอบมโนสุจริตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เพราะประกอบมโนสุจริตเป็นเหตุเป็นปัจจัยตติเยวักจบอัธานบาลีที่15จบ